เราเปินหน้าหนึ่งรหกสิบสองเลยนะลูกการ์ดได้เอาหนังสือมาปริหาณสูตรเนี่ยนะโดยศัพ์นี้ปรินี่แปลว่ารอบอนะหานะนี่แปลว่าเสื่อม ก็ความเสื่อมรอบนั่นเองถัาปริหาระหาระตัวนั้นแปลว่าบริหารไง็ ล, ลักษณะบริหารอันนี้บริหารหารนนหนูสกดเนี่ยนะหานะแปลว่าเสื่อมบริหารก็คือเสื่อมรอบข้อหนึ่งพระสุตันตปิฎกสังยุตติกายสลายยัตนวัรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิโสทั้งหลายเราจะแสดงปริหารธรรม อภริหานธรรมและอภิพายตนะหกแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังปริหานธรรมแปล ว, ว่าธรรมะเสื่อมแสดงความเสื่อมเหมือนกัลยอภริหานธรรมก็คือความไม่เสื่อมอภิพายตนะก็คืออายตนะอันอ บ, บรมยิ่งแล้วคือการอ บ, บรมอายตนะเรียบร้อยแล้วนั่นเองก็ปริหานธรร ม, มเนี่ยมีอย่างไร ดูการภิกษุทั้งหลายอากุศลบาปประธรรมทั้งหลายมีความดำริแงล่นไปเป็นฝ่ายสังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในาศาสนานี้เพราะเห็นรูปด้วยจักสุขถ้าภิกษุให้กิเลสนั้นครอบงำไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นไปไม่ให้มีข้อนั้นภิกษุพึงทราบว่าเราเนี่ยย่อมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความเสื่อมคือผู้ที่เสื่อมหมายถึงคนที่ที่อะไรคนที่เห็นรูปด้วยจกักษุเนี่นะเมื่อเห็นรูปด้วยจกักษุก็วิตต ก, กะถึงรูปนั้นวิต ก, ก, ะกะก็คืออะไรนั่นแหละความดํำริเล่นไปนะหรือสังกับปักนั่นเองตรึกในรูปนั้นทีนี้เป็นการตรึกที่เกื้อกูลต่อสังโยชน์ นะไม่ใช่เกือกตึกต่อเกลือกูลต่อธรรมะนะไม่ใช่เป็นเนคขมวิตกอะไรหรอกแต่เป็นกามวิตกเป็นต้นนนะเป็นวิตกที่เกืือกูลต่อสังโยชน์คำว่าสังโยชน์เนี่ยนะเป็นยังไงสังโยชน์แปลว่าประกอบพบเอาไว้ด้วยพบเนี่ยนะประกอบสั์เอาไว้ในพบประกอบจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งหรือว่า ประกอบกรรมเอาไว้กับผลของกรรมอันนี้เป็นความสังโยชน์นะทีนี้ความดัมเรศความตรึกที่เกิดร่วมกับเครื่องผูกอันนี้นี่แหละพระองตรัสว่าผู้ที่ไม่ทําลายเครื่องผูกคือไม่ทําลายสังโยชน์อันนี้เนี่นะเรียกว่าคนเสื่อมจากกุศลธรรมเสื่อมไม่ให้เสื่อมธรมรมนานะเสื่อมโดยรอบอะ่ะไม่มีกุศลเหลือเลยนะในขณะที่อ ก, กุศลเกิดท่านในขณะนั้นก็ชื่อว่าเสื่อมโดยรอบ คำว่าไม่ละตรงนั้นเนี่ยหมายถึงไม่ละฉันทราคะในรูปเนี่ยนะนผู้ที่ไม่ละฉันทราคะไม่บันเทาฉันทราคะไม่ทําให้สิ้นไปคือไม่ทําให้ไม่มีอีกต่อไปเนี่ยนะอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้เสื่อมรอบเสื่อมจากกุศลธรรมในทวารอื่นก็ในาย่าเดียวกันนะทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเนี่ยนะ ท่านผู้ใดที่ปล่อยให้อากุศลเกิดขึ้นในทวารทั้งหลายเหล่านี้ก็ชื่อว่าผู้ที่เสื่อมรอบอนะเพราะอะไรเพราะว่าสังโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นความดำริทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นนะเป็นความดำริที่เป็นบาเป็นอกุศลถ้าอากุศลวิตกนะขอพายถ้ากล่าวอากุศลวิตกแล้วอกุศลทุกชนิดเท่ากับกล่าวเพราะอะไรเพราะว่าถ้า อกุศลที่เกิดเนี่ยยังไงก็ต้องมาจากอากุศลนิตกเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะพูดจะทําจะอะไรก็เกิดจากความดําริก็เ น, นี่ยนะมิจฉาวาจาเกิดจากมิจฉาสังกตะมิจฉากรรมมันตะเกิดจากมิจฉาวาจามิจฉ า, าชีวะก็เกิดจากมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะนั่นแหละก็เลยเรียกว่าเป็นมิจฉ า, าชีวะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาภากเพียงพยายามอยู่ก็เป็นมิจฉาวายามะความละลื้ความนึกถึงทั้งหลายก็เป็นมิจฉาสติเ อ, นนอ ก, กคตาที่เกิดร่วมกับอกุศลทั้งมวลเหล่านั้นเป็นมิจฉาสมาธินี่แะมันถ้าผู้ที่อย่างนี้ก็เสื่อมรอบแล้วนนปฏิบัติตามมิจฉามักผู้ที่ปฏิบัติตามมิจฉามักนนถ้าเราแยกว่าสัมมามักเนี่ยนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์ใช่ไหม มิชามัค ก, ก็เท่ากับประกอบเอาไว้ในทุกข์่นแหละก็ซึ่งมันตรงกันข้ามกับสัมมามัคข้อปฏิบัติเหล่านี้ถ้าผู้ที่เสื่อมรอบก็เสื่อมรอบในทวารหกนี่ก็มาอบรมถ้าผู้ใดไม่อบรมในทวารหกก็เสื่อมรอบในทวารหกนั่นเองเพราะว่าสังโยชน์เนี่ยประกอบเอาไว้สังโยชน์นี้ถ้าอย่างโอรัมภาคียาสังโยชน์เนี่ยนะกามราฆก็เขไป สกายะทิถิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาตการมราฆาปฏิฆานี่เขาเรียกว่าโอรัมภายะสังโยชน์ถามทําไมจึงเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ําเพราะว่ามันผูกไว้ให้เกิดในภพบเบื้องต่ำเนี่ยสกายะทิถิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาตการมราฆาปฏิฆานี่นะผูกให้ตกนรกผูกให้เกิดเป็นเปรตผูกให้เกิดเดริชานผูกให้เกิดใน มนุษย์หรือว่าผูกให้เกิดเป็นเทวดาเนี่ยนะเพราะพวกนี้เกิดจากสังโยชน์เบื้องต่าเนี่ยผูกนั่นก็ถ้าถ้าเรามองแบบเห็นชัดนะเวลาเห็นพวกสัตว์ในอบายหรือเห็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราละลึกถึงเหตุในอดีตของสัตว์เหล่านั้น น, น, นะถ้าสังโยชน์เหมือนเชือกอะนะสงสัยถูกผูกมานะถูกล่ามมามีเชือกโครันโครัน น, นะคล้ายกับว่าไงนะพอเห็นว่าปั๊บก็นึกถึงเชือกที่เล่นว่าว ถูกผูกมาแน่เจ้านี่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายังมีสังโยชน์เบื้องต่ำห้าที่เราท่านทั้งหลายยังละไม่ได้ก็แสดงว่าจะถูกถูกะจะถูกผูกเอาไว้อีก น, นะไม่รู้จะไปวนอยู่แถวไหนไม่ทราบนะนะถูกล่ามคอเลยนี่ยปัญหามันไม่ล่ามคออย่างเดียวเลยล่ามตา ล่ามหูล่ามจมูกล้ามลิ้นล่ามกายให้ล่ามใจมันลามไม่หมดฮะนยิ่งกว่าพันธนาการของอย่างอื่นอีกนะนะเรียกว่าความเสื่อมนะเสื่อมโดยรอบทั้งหมดเลยนะเสื่อมในทวารหกเสื่อมมากเสื่อมน้อยก็ดูมานอนอยู่ข้างๆเลยนะอภิพายตนะโดยสาแปลว่าครอบงำการครอบงำ อออภิพายตนะเนี่ยมีหลายในนะแต่เนยะตรงนี้หมายถึงอภิพายตนะอันอบรมยิ่งแล้วเนยะตรงนี้น ะ, อ บ, อ, ะอบรมเรียบร้อยแล้วเช่นตรงนี้นะแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยหมายถึงฌานเชน่นอภิพายตนะแปดตรงนั้นหมายถึงฌานคนละในกับอภิพายตนะอันนี้ถ้าอภิพายตนะตรงนั้นเนี่ยหมายถึงการครอบงําอารมณ์แล้วเข้าฌานได้ แต่ถ้านัย น, นี้ก็คือผู้ที่อ บ, บรมอายตนะเรียบร้อยแล้ว เ, ลเ อ, อ้ายังไม่ได้ว่าข้อนั้นเลยว่าปริหารนะมีสามข้อคือหนึ่งนะปริหารนะสองอัปริหารนะสามอภิพาญตนะข้อที่สองอข้อต่อไปนะคืออัปริหานธรรมอัปริหานธรรมก็คือธรรมที่ไม่เสื่อมเนี่ยนะ อกุศลบาปประททั้งหลายมีความดเรฤตแล่นไตเป็นฝ่ายสังโยตย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุในาศาสนานี้เพราะเห็นรูปด้วยจักสุถ้าภิกษุไม่ให้กิเลนนั้นครอบงำละบันเทากำจัดให้สิ้นไปไม่ให้มีข้อนั้นภิกษุทราบว่าเราย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมคือตรงนี้ก็บอกว่า อกุศลก็เกิดอยู่แต่ว่ารีบกำจัดอย่างอย่างรวดเร็วอ่ะรวดเร็วเหมือนอะไรุการนึกออกนะไอ้เรื่องอบรมอินทรีย์ในวิในของพระอริยะใช่ไหมว่าเข้ากำจัดอากุศลในแต่ทั้งวารยังไงเนี่ยนะที่อบปมาเหมือนกับว่าะนะตะล่อมเคละเอาไว้ที่กลางปลายแล้วก็ถมออกไปใช่ไหมคืออะบาบอากุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้นรีบรีบบรรเทารีบกําจัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็บอกว่าผู้ที่บรรเทาอากุศลน่ยถ้าปล่อยให้เกิดสามชาวนะนี่นับว่าโห อ, อย่างช้ามากสติอ่อนมากเพราะนั้นนะถ้าสองสามชาวนะนี่สติอ่อนถ้าได้หนึ่งชาวนะเนี่ยอันนี้ก็ก็ปานกลางแต่ถ้ามอเห็นปั๊บเนี่ยรู้เลยนะอันนี้เรียกว่าไม่ให้แทรกได้เลยอันนี้เรียกว่าอย่างแก่ อันผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอย่างแกร์แต่ถ้าผู้ที่ปล่อยให้อกุศลเกิดสัก 2, 3สาชาวนะเนี่ยนะหรือ 4, 5หชาวนะนี่เรียกว่าอนะนะนะ่อม น, อ น, นมากคำว่าชาวนะเนี่ยเออคือหมายถึงวิถีหมายถึงวิถีเนี่ยนะคือปล่อยให้เกิดสักสองสาวิถีนะแต่ว่าในคำพีก็บอกว่า 2, 3ชาวนะเพราะยังไงมันก็ต้องเกิดซ้ากันอยู่แล้วเนี่ยนะ มันก็รีบกําจัดเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เหมือนอะไรเหมือนกับว่าคนที่เตรียมสับคัดเอาขัดอะไรที่มันกําลังจะช็อตเนี่ยนะมันก็เรีบสับเร็วที่สุดเท่าที่จะได้นะอยู่ที่ความไวของการสับเพราะถ้าสับช้าก็นั่นโอ้โหเจ๊งไปเยอะอ่ะอันนั้นแผนกสับไฟนะแผนกดับไฟเนี่ยเพราะว่าให้มันไหม้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ว่าถ้าชํานาญจนถึงที่สุดนี่ก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะเพราะอะไรเพราะมนุษย์การอะไรปับ น้อมไปในกุศลได้หมดเลยเนี่ยนะส่วนตรงนี้มันอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่การมนุิยการเนี่ยมนุิการจะให้อะไรเกิดแหมไปดูในธรรมะนานันานตยานิเทศชอบมากขออภัยในจรยนนะนะิยานเนี่ยนีญาณจริยาใช่ไหมพูดถึงจริยาสามเนี่ยเนี่ยจริยาจริยาญาณิเทศเนี่ยนะีที่กล่าวถึงอาวะอะไร วิญญาณเจริยาอัญญาณเจริยาและญาณเจริยาเนี so an, wrong, ่ยเพราะว่า oui, วิญญาณเจริยาก็คืออวัชนะนั่นเองอวัชนะถ้ามนสิการโดยความเป็นของไม่เที่ยงชวนะมันก็ไม่เที่ยงตามอ่ะถ้าอวัชนะมนสิการโดยความเป็นทุกข์นะชวนามันก็เป็นทุกข์ด้วยอ่ะถ้าอวัชนะมนสิการโดยความเป็นอนัตตาชวนะก็มนสิการโดยความเป็นอนัตตาด้วย แต่ถ้าชาวนะนะมันน้อมไปเพื่อจะคิดว่างามเอาวัชนะน้อมไปหางามไอ้ชาวนะมันก็เอาด้วยอ่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้มานาศิกานี่สสำคัญมากนไอ้วิญญาณเจริเนี่ยาน้นเน้นทั้งทั้งหมด น, นนะแต่ว่าทุกทุกอันจะต้องยกมนโนทวาราวัชนะขึ้นมาก่อนคือตัวมนโนทวาราวัชนะเนี่ยเป็นความประพฤติที่ไม่มีกิเลส เนี่ยนะนข้อปฏิบัติที่บุคคลใดจะปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสต้องเอามาโนทวาราวชนะเป็นอาจารย์ในความเป็นผู้ไม่มีกิเลสเนี่ยนะก็จริงๆก็ชาติกิริยาใช่ไหมทํายังไงให้ชวนะมันกิริยาอย่างนั้นบ้างอะอันนั้นแหละเนี่ยที่มาว่ากันอยู่เนี่ยเพื่อที่จะได้เห็นโทษของบาปและอกุศลทั้งหลายแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันมันค่อยๆ อ, อ, อะไรถ้าแรกๆก็อกุศลวิตกเกิดชั่วโมงหนึ่งนะก็ลดให้มันเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงนี้ก็เรียบตัดซะ อันนี้โอ้โหอันนี้อย่างไม่รู้จะอ่อนยังไงอีกแล้วนะเสร็จแล้วก็ทานนี้ก็ให้มันสักสิบนาทีเนี่ยนะว่างดหงิดก็ให้มันงดหงิดเหลือแค่สิบนาทีก็พออย่าให้มันเกินนั้นอันนี้ก็ลดมาให้มันเหลือสักนาทีเดียวเนี่ยนะเร็วกว่านั้นอีกได้ยิ่งดีจนถึงว่าโน่นอะอยู่ที่มณสิ ก, การจนคิดยังไงไม่ให้อกุศลมันเกิดนะก็เรียกว่าค่อยๆไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่สําคัญนะนีว่าชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ย ที่ที่ไม่ใช่นักเกี่ยวข้องต่อสู้อะไรมากมายเนี่ยนะอารมณ์ที่รับมันเดิมๆนะถ้าว่าไปเนี่ยมันเหมือนกับร่องน้ํำนะมันมีอยู่ไม่กี่สายอ่ะมันก็ไล่อยู่ถนนเส้นเดิมเนี่ยถ้าใครไม่ค่อยออกต่างจังหวัดนะไอ้ถนนที่ขับรถมันเส้นเดิมนั่นแหละใช่ไหมไปมาเดิมๆถนนเส้นเดิมๆจะมีปัญหามันก็แถวๆเดิมๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเจริญเอาไว้ให้ดีก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในส่วน นั้นๆใช่ไหมเหมือนอะไรเหมือนกัะทิ้น้ำมันเคยท่วมมันนะปกติน้ามันจะท่วมมันก็ท่วมที่มันเคยท่วมอยู่แล้วเนี่ยนะพันธะอย่างเงี้ยเราก็ต้องหมั่นมนสิการหมั่นเจริญก่อนกว่ามันจะท่วมมันนะเหมือนกับผู้การทําคันเอาไว้อย่างเะน้ํามาก็เททิ้งให้หมดเลยเนี่ยนัลักษณะนั้นไม่ให้มันท่วมได้ะบาปากุศลทั้งหลายก็เหมือนกันรีบระงับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าไม่ระงับเนี่ยนะสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยพาลงอาบายอ่ เพราะ ม, มันมัดผูกไว้ไปเกิดในอบายทั้งนั้ น, นแต่ถ้าผู้ที่ละได้ก็ละได้โดยแต่ทางฆ่าประหารก็ถือว่าอย่างน้อยก็รักษาสุขติพบเอาไว้ได้ในทวารอื่นๆก็เหมือนกันนะทวารลิ้นทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจเนี่ยที่พระองค์ตรัสว่าอีกข้อหนึ่ง อกุศลบาปประรมทั้งหลายมีความดําเรินแล่นไปในฝ่ายสังโยชตย่อมเกิดขึ้นแก่พิสูจนในศาสนานี้เพราะได้รู้แจ้งธรรมรมณ์ด้วยใจถ้าพิสูจไม่ให้กิเลสนั้นครอบงำํำละบันเทากําจัดให้สิ้นไปให้ไม่มีข้อนั้นพิสูจพึงทราบว่าเราย่อมไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลายดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นความไม่เสื่อมดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอกปริหานธรรมมีอย่างนี้แหลอนะก็ไม่เสื่อม คือแรกๆอ่ะนะมานสิการอารมณ์อะไรอกุศลมันเกิดก็จริงอยู่แต่ว่ารีบกําจัดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าได้สุภาพนิมิตเนี่ยคิดยังไงอ่ะนะพอมานสิการปั๊บสุภานิมิตอ่ะคิดยังไงไม่ให้มันสุภาพนิมิตอีกต่อไปที่ให้วิธีจิตรหรือความคิดเป็นราคาเนี่ยนะถ้ามานสิการแล้วขัดเคืองแล้วปรารบยังไงที่จะไม่ขัดเคืองในอารมณ์นั้นเนี่ยนะก็ก็ไม่ได้เปลี่ยนอารมณ์อะไรหรอกก็ยังอยู่อารมณ์นั้นแหละแค่เปลี่ยนความคิดเนี่ยนะ อันที่จริงแล้วปุตุชนกับพระอริยะท่านก็รับอารมณ์เดียวกันนั่นแหละเช่นมีสีเป็นอารมณ์พระอริยะก็มีสีเราก็มีสีแต่ว่าตรงไหนเป็นความต่างกันต่างกันตรงที่ว่าพระอริยะทั้งหลายท่านบําเพ็ญศีขาคือท่านมีการอ บ, บรมไตรศีขาไม่ให้บาปอากุศลมันครอบงําส่วนปุตุชนทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่อ บ, บรมศีขาซากอย่างเลยเนี่ยกิเลสไหนเข้ามาก็รับหมดเลย ได้อารมณ์ที่ไม่ดีก็เ ส, สียอกเสียใจใช่ไหมได้อารมณ์ที่ดีก็คั้มอยู่นั่นแหละอันนี้คือธรรมชาติของปุถุชนทั้งหลายที่ที่ไม่ได้อ บ, บรมอะไรเลยนะส่วนอภิพายตนะหกข้อหนึ่ง้ยสี่ิบสองกล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็อภิพายตนะ6เป็นไงนะอภิพายตนะหมายถึงอายตนะที่อ บ, บรมมันยิ่งแล้วนะถืออบรมด้วยสมถะวิปัสนาเรียบร้อยแล้วอะ ดูก่อนพิสูุทั้งหลายอากุศลบาปธรรม ท, ทั้งหลายมีความดำริแล่นไปเป็นฝ่ายสังโยชนย่อมไม่เกิดแก่พิสุนในาศาสนานี้เพราะเห็นรูปด้วยจักษุข้อนั้นพิสูจพึงทราบว่าอายตนะนี้เราครอบงำแล้วอายตนะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรเรียกว่าอภิพายตนะครอบงำตาได้แล้วอะ่ะคือแสดงว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในเรื่องตาจนจน ไม่มีสุภาไม่มีนิมิตแห่งกิเลสอยู่ในในทวารตาเลยนะเพราะอะไรเพราะเรื่องทวารตานี่เอามาทําปริญญาใคร่ครวญจนละนิมิตแห่งบาปอากุศลทุกชนิดกิเลสเนี่ยมันเกิดซ้ํำซากอย่างว่าถ้ามันคิดงามราคะก็เกิดถ้าคิดไม่ชอบคิดว่าไม่งามโทสะก็เกิดไม่พิจารณาโมหะก็เกิดนะสูตรมันมีอยู่เท่านี้กิเลสไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกมันอยู่เท่านี้จริงๆ ถ้าแก้สมมติถ้าในสิ่งที่เป็นสุภาษะนะคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามมากจนละอัธยาศัยที่เป็นสุภาะซะราคามันก็ไม่เกิดถ้าอบรมเมตตาจนเพียงพอที่จะไม่ให้โทสะเกิดโทสะมันก็ไม่เกิดเนี่ยนะถ้าพิจารณาเหตุเกิดความดับจนละเอียดเพียงพอดีจริงๆอ่ะนะรู้ทั้งอัาธาอาทีนวะพร้อมทั้งสลัดออกได้อะ่ะเมื่อไรก็โมหะก็เป็นอันไม่เกิดเนี่ยนะ ในเนติประกรณ์นี่ตรกรถาบอกว่าคาว่าอาทีนวะนี่เป็นชื่อของวิปัสสนาเนี่หมายถึงอาทีนวานุปัสสนาคือตามเห็นโดยความเป็นโทษอย่างเช่นบทที่เราคุ้นเคยได้ยินกันบ่อยๆคือคำว่ากามทั้งหลายมีมีมอัาทะน้อยมีโทษยิ่งนักเนี่ยนะอันนี้นี่กล่าวทั้งโดยสมุทัยสัตว์และทุกขสัติ์เนี่ยนะไอมีโทษยิ่งนักอันนั้นคือวิปัสสนา เพราะว่ า, าการตามเห็นโทษของสิ่งใดด้วยปัญญานะอันนั่นเป็นวิปั ส, สนาคืออารทีนวานุปั ส, สนานั่นเองนงกนะ า, า, า, า, ารเอะบแล้วการนอัพราวะเขาา้เขามาท่่ในขั้นะาวันนี้ดูยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยคืออย่างเท่าที่เรียนนะนะเท่าที่ผ่านมาไม่ได้พูดเหตุเกิดความดับเลย อ่านะคือคือเน้นเริ่มเรียกว่าเริ่มตีระปริญญานะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นปริญญาชั้นสูงไปกว่านั้นเนี่ยนะยังไม่ได้จะเข้าเขาวิปปะหานะปริญญาโดยพยัญชนะยังไม่ได้แต่ได้โดยนัยะเอานัยะมาจับได้หมดอ่ะจบหมดเรียบร้อยไปเสร็จหมดอ่ะแต่ถ้าไม่เอานัยะมาจับก็ได้ก็เฉพาะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเนะี่ก็ ก, การพิจารณาอาสาท่านั่นแหละเนี่ยนะคือในวัตถุเดียวกันเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอาสาท่าหรอกแต่ว่าอาสาท่นั้นมันจะมากหรือมันจะน้อยเท่านั้นเองอย่างรูปายตนะสัท ธ, ธายตนะเนี่ยนะพวกสีเสียงกลิ่นรสโธพธะธรรมารมณ์เนี่ยไม่ใช่มันไม่มีอาสาท่าคือความน่ายินดีของสิ่งนั้นนะมันมีแต่ว่ามันน้อยเกินไปเนี่ยนะ มันน้อยเกินไปที่ที่เราจะไปยินดีแต่นี้อาทีนวะมันมากยิ่งนักเนี่ยนะเคยเห็นใครปลูกดอกอะไรสักอย่างไหมเขาไปรดน้ำอยู่นั่นแหละโอ้โหเป็นปีๆกว่าจะออกดอกไม่ ก, กี่วันเนี่ยนะแล้วก็เหียวเ้าแล้วก็ดูแลรดน้ำใหม่กว่าจะเพื่อออกดอกเนี่ยนะเขานั่งยิ้มอยู่วันสองวันมันก็เฉาแล้วปลูกมาอีกคือมันแค่นั้นอ่ะนะมันหมายความว่ามันอร่อยน้อยเกินไปอะ ถ้าเทียบกับความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องบริหารดูแลเยียวยาบำรุงรักษาเนี่ยมันมากเกินกว่ามันมากขนาดนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายมีอาส า, าทะน้อยเนี่ยมีโทษมากจริงนะท่านก็อ่านนะบอว่าวินยูชนในโลกนี้จะรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายนะ่าจะอุปมาให้ฟังเหมือนร่างกระดูกแทะไปเถอะเนี่ยนะใครที่เคยแทนะมันก็มันก็น อ, น อ, อร่อยดีเหมือนกันนะ แต่ว่ามันไม่อิ่มอ่ะเอาไปการเป็นงานไม่ได้แทบไปแทบมานะฟันไม่ค่อยดีด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะเดือดร้อนหมอฟันอีกนั้นก็มันอร่อยน้อยมันไม่ได้อิ่มอย่างแท้จริงอะไรหรือมันเหมือนชิ้นเนื้อนะถ้ามันกองโตเลยนะมันแย่งกันมากสมมุติถ้าถ้าใต้ใต้ใต้พื้นข้างล่างวัดเนี่ยนะมันมีเพชรก้อนเท่าตุ่มเนี่ยนะโอ้โหสงครามจะเกิดแน่สึกแย่งเพชรกันนี่ะนะ แต่ถ้าไม่รู้มันเป็นอะทีนี้ถ้าอะไรนะถ้าวัตถุกรรมมันมากนะมันแย่งกันสูงมากเลยนะมันเหมือนอะไรเหมือนกับที่ไหนผลประโยชน์มากที่นั่นโอ้โหบริษัทจะเรียกว่าหมู่ชนจะไปยื้อแย่งกันมากนะทุกเรื่องเลยนะขอให้มันสิ่งนั้นมีค่าที่เรียกว่าวัตถุกรรมมันมีค่ามากเลยนะตันหานะเป็นตัวประเมินราคาวัตถุในโลกนี้ว่าสิ่งนั้นจะถูกจะแพงนัอยู่ที่ตันหามันประเมินเอง เพราะภาพถ่ายนะสมมตินะภาพภาพวาดก็ได้เอาภาพวาดของจิตรกรชื่อดังเนี่ยนะเป็นทั่วๆไปนี่เด็กมันก็วาดได้อะ่ะแต่ว่าเป็นโหที่เป็นเป็นภาพที่จิตรกรชื่อดังเคยวาดไวนะ้ตอนหลังออกมาประมูลนี่แพงไหมพวกกันอ๋อแพงมากใช่ไหมจริงมันก็มันดต่ ง, งามอะไรกว่าภาพอะไรอื่นๆอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเนี่ยกิเลสมันให้ค่ามันอ่ะนะมันจะแพงตีค่าซะจนแพงจนรู้จะแพงยังไงอีกเนี่ยเนะแค่เนี้ไม่ได้มีอะไรมากมาย มันก็ตันหาเนี่ยเป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอันนั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยนะมันถ้าตีอะไรว่ามีมูลค่ามากอนนะที่มาของทุจริตกรรมเป็นต้นเนี่ยจะมาแล้วเนี่ยนะมาตามบานไปหมดเลย อ, นนอันนั้นแหละถือว่าเป็นโทษของวัตถนนุนั้นๆเพราะถามว่ามีวัตถุไหนมั้งไหมที่ที่ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ต้องบาปกลับมาเลยเนี่ยนะ หรือไม่ไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ต้องประจุติปฏิสนธินะที่เป็นวัตถุทั่วไปนะที่เป็นสังขารธรรมทั้งหลายมีไหมเมื่อเราไปเกี่ยวข้องแล้วไม่ต้องจุติปฏิสนธิเนี่ยน้อยมากเนี่ยนะเว้นไว้แต่คำสอนหรือไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นปากทางแห่งวิวัตะเท่านั้นนะที่ที่จะออกจากวัตตะได้แต่ถ้าโดยทั่วๆไปก็คือเพื่ออะนน ในพระสูตรกล่าวว่าถ้าวิญญาณตั้งอยู่ในรูปมันก็อย่างลงในรูปใช่ไหมอะไรงอกเลยนามรูปก็งอกเลยเพราะว่าอา ร, อารมณ์ทั่วๆไปอ่ะมันเป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธิวิญญาณได้หมดเลยถ้าปฏิสนธิวิญญาณเกิดแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไอย่างอื่น <c oughs> นั้นสังขารทั้งหลายเนี่ถ้าผู้ใดไม่ครอบงำนะในทวารตาเนถ้าไม่ครอบงําให้เสร็จไม่ครอบงําทวารหูทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเนี่ ย, ยที่ ท, ที่รับอารมณ์ ถ้าครอบงําไม่ได้ก็ไม่พ้นทุกข์อ่ะแต่ในตรงนี้อภิพาญตนะพระองค์ตรัสถึงผู้ที่ครอบงํำอายตนะได้แล้วก็ไม่พ้นการทําปริญญาในทวารหกนั่นเองคงจําได้นะในสติปัฏฐานที่เราเรียนกันเป็นปกติก็คืออย่างเอามโนทวารเน่ยนะพึงทราบชัดมโนอะนมโนตัวคือตัวพวังเนี่ยนะพึงทราบชัดธรรมะคือธรรมรมเนี่ยธรรมธรรมรมคือทำในภูมิสาม เพิ่งทราบชัดสังโยน์ที่อาศัยมโนกนธรรมะอ่านะทราบชัดไอเครื่องผูกเนี่ยผูกในผูกนอกเนี่ยสังโยน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดได้ยังไงก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยต์ที่เกิดขึ้นแล้วนะละมันได้ยังไงก็รู้ชัดประการนั้นด้วยถ้าละมันได้แล้วเนี่ยละเพราะอะไรอาศัยเครื่องมืออะไรนะสังโยต์แต่ละอย่างมันละเด็ดขาดได้ที่ไหนก็รู้ชัดด้วย อันนั้นแหละเรียกว่าในลักษณะของสติปทานจะเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ที่ทํากิจอันนี้สําเร็จนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ครอบงําอายตนะคือมโนเนะครอบงําใจได้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ครอบงําใจเสร็จอะจะไม่มีปฏิสนธิเกิดอีกเนาะใจจะไม่นําปฏิสนธินะจึงเรียกว่าคนครอบงําใจได้จริงๆไม่ให้มันพาเกิดได้อีกอ่ะคิดยังไงจึงจะไม่ปฏิสนธิอีกจังนี้ ในแนี้ ย, ย, ย, ยังยังยังไม่ได้ทําปริญญาเั้นนะเดี๋ยวอีกหน่อยถน่ากันนะจะทําปริญญาฮะ <c oughs> มันผู้ที่ครอบงามอายตนะก็คือผู้ที่ตัดสังโยต์ได้ทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าคนครอบงามอายตนะเนี่ยนะถ้าอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีความคิดใดของท่านที่เกิดร่วมกับสังโยต์เลยไม่มีสังโยต์โผล่มาเลยแม้แต่ความคิดเดียวไม่มีเนี่ยนะ ที่ไม่มีเพราะข่มไว้ที่ไม่มีเพราะรอบรู้หมดแล้วไม่มีเพราะมันไม่ไม่สามารถจะมีได้เพราะตัดเหตุปัจจัยแห่งการมีในตัดเหตุปัจจัยแห่งสังโยชน้สิ้นเชิงเลยนะก็เหตุปัใจของสังโยชน์คืออะไรที่อื่นนี่บอกเลยว่าเพราะอาริยเพราะไม่กําหนดรู้นะอย่างมูลปริยั ย, ยสูตรนี่บอกเลยตรงๆรงกนะทำไมปุชนจึงไปสำคัญในรูปเป็นต้นเนี่ยนะ สำคัญในปัทวีอาโปเตโชวายโยสาคัญในพูดสาคัญในพวกเทวดาเนี่ยนะสคัญในประ ช, ชาบดีสาคัญในพรมสาคัญในรูปเสียงกลิ่นรสสาคัญในส ก, กายะทั้งปวงเป็นต้นเนี่ยถามว่าทำไมจึงไปสาคัญแบบนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดรู้เขาไม่ทำปริญญาเมื่อเขาไม่ทำปริญญาแลว้วะ ถ้าที่อื่นก็บอกอีกเพราะขาเขาไม่ทําปริญญ า, ขาเขาก็ไม่ควรคู่เอไม่คู่ควรแก่การพ้นทุกเนี่ยนะก็แปล ว, ว่าสมควรจะอยู่ในในทุกเหล่านั้นเนี่ยพนระราดทั้งหลายเนี่ยท่านยังเอาสังโยชน์มาทํามาพิจารณาทำปริญญาใช่ไหาตมาเอามาพิจารณาให้คนหลังจากที่รักกิเลสไปแล้วแล้วก็ทายหลังออกมาเนี่ยหลายๆปีแค่คืเป็นปเนีเอาพวกสังโยพวกเนี้ย จะทำกัญชาความราามับผิดอะไรไหมเรื่การยุติเอามาพิจารณาไหมพระพุทธเจ้ายังเอามาพิจารณาเลยพุทธเจ้าก็ปรารบถึงบาปอากุศลอะไรที่พระองค์ละได้แล้วบ้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบางว่างพงก็หยิบมาหยิบมาพิจารณาว่าสังโยชน์ตัวไหนตัวไห น, ต, ไหนตัวไหนที่พระองค์ละได้ไปแล้วทีนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็พิจารณาตัวภายในตามการและก็ภายนอกตามการอยู่แล้ว พิจารณ า, าคือผ้รหันเนี่ยนะโดยปกติท่านมากอยู่ด้วยการพิจารณาอยู่แล้วเป็นเป็นเครื่องอยู่ของท่านอยู่แล้วการไข่ครววการพิจารณาเนี่ยนะแม้กระทั่งการแสดงธรรมก็คือแสดงธรรมเพื่อละบาปประธรรมเหล่านี้เมื่อท่านเป็นผู้ที่แสดงธรรมเพื่อละบาปประธรรมเหล่านี้ถามว่าท่านจะพิจารณาขนาดไหนเนี่นยนะแยิ่งในในสมัยพุทธกาลด้วยเนี่ยสมัยที่ พระปริยัติธรรมเนี่ยนะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยผู้ที่จําปริยะติธรรมได้มากคือมีอยู่ท่านเดียวใช่ไหมคือพระอนอนท์ที่ไปไหนก็เที่ยวตามเก็บองค์อื่นๆก็ไม่ได้ว่าไปติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็จะได้พูดตามอะไรไม่ใช่แต่ท่านเนี่ยพิจารณาแทงตลอดอริยศาสตร์แล้วก็ไขครควรธรรมะเนี่ยมากท่านจึงมีเอาอะไรมาพูดได้ น, นะท่านอย่างพระมหากระจายนะเป็นต้นเนี่ยนะพื้นฐานท่านก็เป็นผู้ที่พิจารณามาก ก็หวังว่าคงจะครอบงำอายตนะได้ <G ül üyor> นะถ้าผู้ที่ครอบงําอายตนะได้ก็เรียกว่าอภิพายตนะเนี่ยนะเอาครอบงํำอายตนะก็ไม่ให้อายตนะมันเกิดขึ้นอีกนะว่าโดยรวมๆสรุปก็คือว่าทิ้งตาอันนี้ทําไงไม่ถือเอาตาอันใหม่ลน่ะทิ้งหูอันนี้ไม่ถือเอาหูอันใหม่ทิ้งจมูกอันนี้ไม่ถือเอาจมูกอันใหม่ทิ้งลิ้นอันนี้ก็ไม่ถือเอาลิ้นอันใหม่ทิ้งกายอันนี้ไม่ถือเอากายอันใหม่ทิ้งใจอันนี้ไม่ถือเอาใจอันใหม่เนี่ยนะ เสียดายทวารไหนบ้างคุณบรรจูไม่เสียดายสักทวารเลยนะสาธุไม่ใช่พูดให้กำลังใจกันนะก็บอกโอ้อะไรอะไรก็ไม่ห่วงแล้วเหลือแต่ลูกดังเดียวถ้ามันเรียนจบจะเบาวกว่านี้เยอะเหมือนนนะก็มีบางคนว่างั้นนะหมดลูกก็ไม่รู้เรื่องไหนะอีกเข้ามาใหม่ก็ไม่นอ้นะ ไอ้ภายในายนี่ไม่ไม่ห่วงแล้วหมดแล้ววเงเหลือแต่งงลูกอย่างเดียว